เรื่องอันเนื่องจากสัปดาส่งเสริมพุทธศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขออ้อมวยพรสริสวัสรที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการ เขาจะบังเกิดมีแต่ทึงนสาธุชนพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจไฟในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยเท่ากันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ เนื่องจากในช่วงเราะยะนี้ระหว่างนี่เป็นช่วงที่เราทั้งหลายได้ทราบกันดีทางหน้านังซื้อพิ่มบ้างสำหรับท่านผู้ธีวีโทรทัศน์ท่านก็คงจะได้เห็นภาพุู้แพ้ออกมาทางจอทีวีท่านที่มีทเทอยุขขอกเอาขงจะได้ยิน คือเรื่องเกี่ยวกับสปดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติในช่วงวันวิสาขาบูชาของทุกๆปีในปีนี้ก็เช่นเดียวกันหลายท่านหลายก็คงจะได้ทราบกันดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับลุกเกตการ์ดของประชาธิปไตย <c oughs> การประท้วงนายกที่มาจากคนกลางและในขณะเดียวกันมันก็มาตรงกันพอดีพอดีกับสัปดาห์สองเฟิร์มพระพุทธศาสนาแห่งชาติในช่วงวิสาขาบูชา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 ขอให้เหตุการณ์ทั้งหลายที่ตรึงเครียดเนี่ยจงพรคลายไปสู่ทางที่ดีสมกับเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่สมทราบอาบรถในจิตในใจของเรามาหลายชั่ว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 จนคนไทยของเราพูดกันติดปากว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแตะในหลักคำจริงๆมันยิ่งไปกว่านั้นอยู่เนื้อแพ้เนื้อชนะเ <c oughs> จนถึงมีคำว่าชัยังเวลังปัสสะวัติทุกครั้งเสติปราชิตโต้ผู้ชนะก่อูกผูกอาคาด ผู้แพ้นอนอาณาซื้อไทยถอนอุปสัรโตปฏิกริษามิผู้สงบนอนศกไม่ทุกร้อนเพราะเพิกถอนเสียได้ทางแพ้แหละชนะ <c oughs> อาลมาก็ปรารถนาะให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากันไม่อยากจะเห็นความเดือดร้อนวุ่นวายในพื้นแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนา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 ก็ไม่มีอาการรุนแรงสงบเงยียมน่ารักและถึงวันส่งเสริมพระพุทธศาสนาสัปดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาเห็นชาติตามขราวหน้าหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าเมื่อสมเด็จปวาเทพปรสนสุดาจ ะ, สะเสด็จผ่านมา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 พระพุทธศาสนานั่นเองเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยให้มหาชนทั้งหลายได้หยุดการชุมนุมเป็นสันแสนหามาประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเสียก่อนอันนี้คืออานิสงส์ของพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วหน้าอนุโมทนาสาธุการอลา a ยจะว่าไปมาก เ, เรื่องมาก ในวันนี้ดมาก็อยากจะพูดถึงสบดาทรงเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยากจะนำท่านตังหลายมาดูความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติแม้ว่าเราจะยังไม่ตราลงไปในระลับธรรมนูนที่ชัดเจนก็ตามแต่มันก็มีมาแล้วหลายชั่วราชธ า, านี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 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทยก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยของเรานั้นจะเริ่มมาจากไหนก็ตามจะมองไปจากทางภาคอีสานทางลาวนี่กอตามเราจะเห็นพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมสั ญ, ญลักษณ์สักรีสักคีพยานมองลกไปทางใต้ ทวบรมาธาตุชัยยาก็ดีมหาธาตุนครสีธรรมราชปักใต้บ้านเรานุ่นก็ดีมองขึ้นไปทางภาคเหนือพระธาตุนยสุเทพสีหริฤุลชัยที่ลำพูนก็ดีพระธาตุช่อแฮที่เมืองแพร่โน่นก็ดีไม่มีทางเป็นอื่นไปได้เราจริงอว่าพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติตั้งแต่สมัย ล้านนาหรือ ม, มาทางฝั่งโค้ ง, งทางนี้ก็ล้านช่างภาคอีสานนี่เรา อ, อยากชื่อว่าอาณาจักรศรีโคตบูนสริโคธะมมปุระดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจเจริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณโคโดมมาถึงสมัยสุโคไทยก็ยิ่งชัดเจนขึ้นมา ต่อมาเราจะมองว่าพุทธศาสนาเป็นาศาสนาสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่รักความเป็นอิสระเสรีมันก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นมาอีกเพราะคนไทยมีชื่อเรียกตนเองว่าไทยหรือชื่อเกา่เกาๆว่าสยามก็ดีไทยก็ดีมันเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาสังสกิตเสรีหรือว่าไทยไทยไทยไทยเป็นภาษาบาลี แปลว่าความไม่เป็นท่าความเป็นใหญ่อยู่ในต้นส่วนสยามสยามสยามก็เป็นภาษาบาลีว่าสยังสยังหรือภาษาสันสกฤตว่าสยามสยามสยามวสีมีอำนาจในตนมีอำนาจในต้นเมืองไทยเรียกว่าเมืองสยามก็ดีก็เรียกว่าเมืองที่มีอำนาจอยู่ในต้น ย่งพระพุทธเจ้าท und <la> ่านพูดเกี่ยปกาชีวกวาาสยนงอภินญายะกมุติสยน์เราเป็นผู้รู้ยิ่งโดยตัวเราเองสยน์อภินญายะรออยิ่งเองไม่มีใครบอกให้กล่าวใครสอนสยามมาจากภาษาบาลีวะสยน์ภาษาสเนสกฤตว่าสยน์ออกเสียงภาษาไทยยาวนามศึกษายามก็แปลว่าความ เป็นตัวของตัวเองนั่นเองเพราะนั้นถ้าจะมองพระพุทธศาสนาในแ ง, ง่ว่าพุทธศาสนาเป็นแหล่งสาคัญเป็นที่ล่อล้อมเอกลักของชาติไทยอย่างนี้มันก็เห็นได้ร้อยเปอร์เซ็นตันเปอร์เซ็นอยามองว่าพระพุทธศาสนาเป็นมรดกเป็นคลางสมบัติอันล้าค่าของชนชาติไทยก็ไม่มีทางแก้เถียงได้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 การเอารัดเอาเปรียบการกดคีค่กลมแหงความเดือดร้อนพูดวายนับวันที่จะพูดกันไม่รู้เรื่องในที่สุดเราก็ปรับแผนพัฒนาแผนที่เจ็ดกลับเข้ามาสู่การพัฒนาจิตใจมั่งก็นีไม่พลหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาพวิตากายพวิตศิลปวิตจิตพระวิตปัญญาพัฒนากายพัฒนาศิลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนากายพัฒนาศิลปเป็นเรื่องพัฒนาภายนอก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 เป็นแหล่งของดีมีค่าที่ชนชาติไทยมอบให้แก่อารยธรรมของโลกถ่าก็พูดกันได้เต็มปากเอกเหมือนกันว่าพุทธศาสนาก็มีส่วนที่ให้ความสำคัญแก่อารยธรรมของโลกในฐานะที่โลกนี้ได้เกิดมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกและกลุ่ ม, มนุษย์ที่มีความเจริญรวยศักยภาพ ของความเป็นมนุษย์เองก็มีโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวไทยของเราพุทธศาสนาของเรานีนต้องคือว่าเป็นส่วนที่มีส่วนช่วยเรืือความเจริญขงโลือววาอาระธรรมของโลกเป็น contribution to the civilizations of the world ได้อย่างไม่อายใครเลยอย่างภาคภูมิใจนี่เราให้ท่านทั้งหลายฟังเราจะมองพระพุทธศาสนาของเราในแง่ไหน ที่มุงพิเศษที่มันสำคัญมากที่สุดสําธรตมานั้นในยุคปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้ท่านตัง้งหลายได้ ม, มองพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้เกิดความสมัครสมานสามคัคคีในหมู่ชนชาวไทยของเราทั้งชาติตั้งกต่ดูท่าเวลาใด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 แต่ปกติคนทั้งหลายจะอยู่ร่วมกันได้ดีนั้นมีความพร้อมเพียงกันต่อเมื่อมีหลักความเชื่อหรือเครื่องยึดเกี่ยวจิตใจอย่างนั้นอย่างเดียวกันมันจะเป็นเหมือนแกนหรือเป็นสายเป็นเชือกที่ร้อยเหมือนร้อยดอกไม้ให้มันเป็นพงบาลัยงดงามในบรรดาหลักความเชื่อหรือเครื่องยึดถือเหนี่ยวจิตใจทั้งหลายนั้นกล่าวเดว่ัสสนา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 คือมันจะไม่ต้องประสบความยุ่งยากลำบางในการที่จะทําให้ประชาชนมีจิตใจประสานรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างเสริมความคอามเพี่ยนสามัคคีขึ้นได้โดยง่ายไม่อยากเย็นที่อย่างไรก็ตามในกรณี น, นี้คนละเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาเดียวกันแม้ว่าจะมีความสามัคคีในระหว่างชนส่วนใหญ่นั้นแล้วออก็ตาม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 มีให้แตกแยกกันมันก็เป็นการดีแต่ถ้าแตกแยกกันจะถือมู ก, กีขั้นคนพวกอื่นด้วยในที่สุดมันก็จะลำบากแต่ถ้าศาสนานั้นเป็นศาสนาที่นี่ปพิจารความรักความเมตตาปานี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 แ a แต่กับศาสนาของตนเองศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกายก็ทนกันไม่ได้ต้องยกเอาความทือต่างทางศาสนานั้นเป็นเหตุวิวาทขัดแย้งหรือถึงกับพิขาดเขียนข่ากันในกรณีเช่นมีการยกศาสนาใดศาสนาหนึ่งขึ้นเป็นาศาสนาประจําชาติย่อมหมายถึงการยกนิกายใดนิกายหนึ่งขึ้นสู่ฐานะนั้นการบริบัติ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 เมื่อแบ่งเป็นสองกลุ่มก็มีสามัคคีสองกลุ่มแล้วก็ทะเลาะการเข้าบีบคั้นครอบงำหรือทาลายซึ่งกันและกันตลอดจนความสามัคคีในแต่ละกลุ่มของคนมากมายหลายกลุ่มถกแกงแย่งช่วงจริงอํานาจและผลประโยชน์ซึ่งกันและกันหลบลูโดมินกันวิวาดขัดแย้งซึ่งกันและกันหลักความเชื่อข้อปฏิบัติทางศาสนาะโดยใช้วิธีรุนแรงประโยชน์สําคัญอย่างหนึ่ง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 เมื่อประกาศอิสรภาพตั้งเป็นประเทศเมื่อปีพศ2319หรือว่าทศกักรานง776ต่อมาก็ได้ตราบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าไม่ให้ยกสถาบันศาสนาใดขึ้นเป็นสถาบน า, นาที่รัฐบาลสถาปนาคือไม่มีสถาบันศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งก็ตีความกันมาให้เรียกว่า ให้ให้ให้รัฐกับศาสนานี่แยกออกจากกันรัฐก็ บ, บริหารส่วนรัฐไปสถาบันศาสนาก็ บ, ร, บ, บริหารทางศาสนาไป mm. ชื่อว่า separations of church and state ชื่มันเป็นที่นนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีศาสนามันมีปัญหาคือประเทศอเมริกานั้นไม่ให้ยกศาสนาใดศาสนาขึ้นปกครองศาสนาประจำรัฐศาสนาประจประเทศก็เพราะว่า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 ต้อยต่าลงอีกวิกายหนึ่งวิกายของเขาดีนิกายของเราไม่ไว้ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นตัวเดนมีปัญหาในต้องเผชิญชะตากรรมเดือดร้อนลําบากในเรื่องศาสนาทีนี้ไอโบสเรียนที่ได้ประสบมาแล้วในทวีปยุโรป ก, ก่อนอภยศจึงต่างก็พยายามเกียงงอนไม่ยอมกันสาเหตุระหว่างศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกายมีถึงสามข้อ มีเหตุผลอื่นอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นบทเรียนทางศาสนาจากยุโรปเช่นเดียวกันคือความตื่นตัวทางปัญญาจากการที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นวิทยาศาสตร์ได้บันทอนความเชื่อแบบบงังคับศรัทธาเฟตฟุลลี่บังคับอย่างยายนั้นวิทยาศาสตร์ได้ทําให้าศาสนานนั้นจางลงทันทีเพราะพิสูจน์ได้ที่ต้องยอมตามคําบ่งการจากสงสวรรค์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 อ่าเดโมมาไม่ใช่คาทอลิกก็ต้องเป็นโปรเตสแตนต์ถ้าเอาคทอลิกขึ้นโปรเตสแตนต์ก็โวยทะเลาะกันถ้าเอาโปรเตสแตนต์ขึ้นคาทอลิกก็เอาอีกละมันก็เลยมีปัญหาเกิดแต่แย ก, กสามัคคีกันขึ้นการมีศาสนาประจำชาติก็จะกลายเป็นทําให้เกิดความไม่สามัคคีดังนั้นจึงจําเป็นต้องเลี่ยงโดยรักษาความสามัคคีด้วยการไม่มีศาสนาประจำชาติ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 เอาตัวพระเจ้าขึ้นมาเลยไม่ต้องว่าโปรเตสแตนไม่ต้องว่าแคทอลิกเอานามมาทำขึ้นมาสถาปันนาเป็นหลักของชาติทำนองยกเป็นศาสนาประจำชาติเมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดสักการพันเก้าร้อยห้าสิบสี่รัฐสภาอเมริกาสิสภาคองเกรสของเขาเนี่ยได้มีมติให้เพิ่มกัาว่าอันเดอรกอดเข้าต่อท้ายคําบ่าวันนี้ฉัน คือคำปฏิญาณทนของอเมริกาเป็น one nation under God แปลว่าประเทศอเมริกาเป็นประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจา้าและต่อมาอีกสองปีจาก9 7มาถึง2499คือศักราษ1956รัฐสภาอเมริกันก็ได้มีมติยกข้อความเพิ่มขึ้นมาอีกว่า in God we trust แต่ว่าเรามอบ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 ตามฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีเคยการเบียดเบียนข่เมเหงศาสนาอื่นศาสนิกลาจะชนพวกอื่นไม่เคยมีในประเทศไทยของเราในพุทธศาสนานีก็เหมือนกันดูตัวอย่างพระเจ้าอัสโสมหาราชแม้แต่จะตีประเทศอินเดีย16ประเทศนะแต่ก่อนไปนคนละประเทศมารวมเป็นประเทศเดียวกันแล้วพระองค์ก็นับถือพุทธศาสนา สถาปาันนาพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจำชาติด้วยอำนาจจักรพรรดิแห่งอโศกแต่พระองค์ก่่ไม่บังคับชนกลุ่มอื่นคณะอื่นที่ไม่นับถือพุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่เบียดเบียนสุดท้ายยังประกาศว่าทุกคนเกิดในแผ่นดินของข้าต้องถือว่าเป็นลูกของข้าจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้ามีแต่ความไม่ตาปานเองไม่มีการดีขั้นกรมขีรสาเพืนกจะชนศาสนาอื่นนอกจากนั้นยัง มีให้เข้ามาเผยแพร่ได้อย่างสบายสบายที่นาะโดยใกล้ชิดก็จะเห็นใช่ไหมวเป็นกรณีที่เกิดขึ้นตามนิสัยของจิตใจพุทธชนที่มีความยึดมั่นรักใคร่หวงเห็นในสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของตนแสดงออกมาบ้างเป็นบางครั้งบางคร า, า, าวโดยไม่มีหลักฐานที่จะเห็นคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยโยกขึ้นมาอ้างอิงเป็นหลักฐานสนับสนุนให้เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นได้ไม่มีทางตนไปได้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 เมตตามนตรีปานีความรักเต็มเตี่ยมในหัวใจในหลักธรรมบระว่าถึงขนาดกูได้จะเอาเลื่อยมาเลื่อยร่างกายไปจนถึงกระดูกจนขาดเป็นท่อนทุกคนทั้งหลายถ้าเธอยังโกรธพวกคนเหล่านั้นอยู่เรากะาวว่ายัางไม่ใช่คนของเราเลย <c oughs> นี่คือความเมตตาปานี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 เป็นความหมายที่แสดงโดยสีทั้งสามของทองต่อยลงในภาีสามกษูประราชานันปุนเปียบใดคือดังทิ้งกายศาสนาคือจังหมักหัวใจให้เสียบยังดำลงไหวมหากษัตริย์ปุนปานให้สายเงี้ยสินประสาทสาวมาเพื่อแพ่สารประสานไหวทัวขี่ คนบ่มีศาสตร์เปืบีบใดโดยดังตีเมื่อกุดขันบ่มีศาสตรนาคือจังเซียนซีนกุลคือจังตาลปลายดวดง่อยพทนเหตุจนทนฮาว่าเลือกเสือบว่เกี่ยวยืนใดตั้งแต่ลำต้นตานยอดดวดมีแต่ลำไม่มีทางงอกงามคนที่มีร่างกายมีสมองมีหัวใจเมื่อสมองพ่กงพิการร่างกายแม้จะมีกำลังวังชา ก็ทำงานไม่ได้สมประกอบเป็นคนปั๊มปมเปอเปอร์แต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นทันทีมันก็ต้องตายศาสนาคือจงหมักหัวใจให้เฉียยังดำรงไหวมีพาอีสานนะในขณะนี้แหละเพราะเหตนั้นสปดาส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนในธงของประเทศไทยมีสามสีสีขาว สีแดงสีเหลืองผู้ที่ทำธงขึ้นมาเครื่องหมายนี่ชัดเจนมากห่งเขียนไว้ในหนังสือดุสิตสมิทธ์ฉบับพิเศษ2 4องพันสี่้หกสเอ็ดมีกล่าวไว้ว่าขอพิ่มรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามทันนักขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดหมายพระไตรัตและธรรมะคมจิตไทย สีแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติตระนาน้ำเงินคือสีโซผาอันจอมประชาทัพอตเป็นของส่วนองจะริ้วเป็นหิวไตรลงจึงเป็นสีทงที่รักแห่งเราชาวไทยสั ญ, ญลักษณ์ชัดเจนแยกแยะกันไม่ได้การที่ที่ว่าพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักคู่ชาติบ้านเมืองนี้เป็นมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทย พระราชดำรัสของพระมหากษัตริยทุกยุคทุกสมัยก็จะยกเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยขึ้นมาไม่ขาดศิลาจะลึกพ่อคุณารรมคำแหงมหาราชราชการที่สามแห่งกรุงสุโขทัยได้พูดไว้ตอนหนังเอกเอมืองกันว่นาพ่อคุลามคำแหงมหาราชพร้อมทั้งถวยแม่ชาวแม่ชาวเจ้าถวยปวดถวยนาง ลูกเจ้าลูกคุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายฟุ้งผวยมีสัทธานในพระพุทธะอนาทรงศีลเมื่อพัรษาทุกคนมีมากกว่านี้นะขี้เกียจเอามาพูดเพราะบ่าเวลามันจำกัดแสดงว่าสมัยพ่อคุณลามบ่มแห่งนั้นพระองค์พาลูกพาหลานถวยปวดถวยนางพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลาย พวกที่เป็นหนุ่มเป็นสาวถป่วย ỡ, ถวยนางลูกเจ้าลูกหนนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งชายทั้งผู้หญิงผู้ชายฝุ่นเคยมีสธานในพระพุทธศาสนาทรงสิ้นเมื่อพรรษาทุกคนนั่นตั้งแต่หนุ่มๆนุสาวๆลูกเจ้าลูกหนายทั้งหลายทาบุญทำทานในหนา้นาพรรษาจำสิ้นกับพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็บง่งบอกเป็นประวัติศาสตร์ว่ามันแยกจากกันไม่ได้ สถาบัญชาติตาสนาพระมหากษัตริย์เริ่มประวัติาศาสตร์ของชาติไทยถึงขาวนาทุกพิเศษของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสเข้ากาบฟอบบังคมทูลสุเดพนารายมหาราชแห่งกรุงสิยุธยา2000ปี2228และก็ทักชวนในพระเจ้าเป็นดินพนาลายมหาร า, า, า 2000, ร 8, ชของเราเข้ารีดถือศาสนาคริสต์เพราะว่าในช่วงนั้น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 บอกพระเจ้าลุยขันมนพระเจ้าสั่งโลกสั่งแผ่นดินพระเจ้าก็สิสัางศาสนาสังผูสังคนมาผอมตัวเจ้าิมยากำําง่อยยังขันเมอนบอกว่าสาหป้านี่พระเจ้าเพ่เกษตรใอยนือศาสนาคิดเองตัวบสันต์เตห่คนนี่ถือศาสนาเดียวเบตัวเกษตรห่งมาหลายศาสนายังันว่าพระเจ้าเป็นผู้สั่งเล่นเอาพระเจ้าลุยวิบอเลยไปไม่รอด ที่นี่มาถึงสมัยกรุงธนบุรีจากอยุธยาจากสุโขทยัยสู่อยุธยาจากอยุธยาสู่กรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ได้สวรรคตไปนานแล้วสร้างกรุงธนบุรีใครก็รู้ประวัติที่นี่เป็นสิ่งที่น่าน่าคิดว่าที่วัดอรุณราชวรารามวัดเจ้งนะก็มีหลักศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงเรียกว่าจารึก พ่อภัยไม่ใช่เํมืํนลำกำแหง่งพระจาตากศิลญารึกตากศินป์ได้ได้พูดเอาววา่าตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากู้ชาติพระสัตตนะวังถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระสัตตนะสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงทนห้าพันปีสมณนะพามชีปฏิบัติแต่พอสม จเจริญสมถวิปัสนาพ่อชื่นชมถาวายบังคมรอยบาทพระสาตดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศราสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระสาตดาฝากไว้ให้คู่กันเนียวชัดเจนไม่มีอะไรเทียงเพราะพระเจ้าเป็นดินของเราล้าชั่วราชวงศ์ล้าชั่วราชธานีของไทย เริ่มมาไม่เคยมีอื่นนอกจากพุทธศาสนาพอขึ้นต้นสมัยรัตนโกสินทร์สองพันสามร้อยยี่สิบห้าพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงประกาศพระราชปณิธานการเสด็จขึ้นของราชตอบฟ้าดินวะจะอุปถัมภกยอยกประพุทธศาสนาจะปกป้องขอบเขตคันทศีมาจะรักษาประชาชนและมนตรีเห็นไม เอาพุทธศาสนาขึ้นมาอุปถัมภกสกรย่อยกพุทธศาสนาและวก็ปกป้องคอบเคกันทีมาประเทศชาติไม่ให้มันเสียหายสุดกำลังแล้วก็รักษาประชาชนและมันตี น, นี่ที่นี่ในเอกสารจงนลวงพระบรมราชอาธิบายในพระบาทตสงเด็จพระจอมกากเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สี่ พระองได้แสดงถึงน้ำพระไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนาในแผ่นดินไทยของพระองค์เองว่าอันหนึง่งในพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสสรรเสริญว่าศาสนาใดๆไม่ประเสริฐ ก, กว่าพระพุทธศาสนารับสั่งดังนี้ทุกพระเจ้าแผ่นดินมาจนทุกวันนี้ ก, นนก็ซึ่งรับสั่งดังนี้ก็ดูเหมือนจะเอาใจพระสงฆ์ซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาโ ต, าตอยู่ในแผ่นดิน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 แต่้มกระทั่งว่ า, วาสุริยคาดกันแต่ขาดกบสิกินเดือนกบสิกินตะเวนียงพระองค์รูร้พระจพเจ้าแผ่นดินองค์นี้ทรงทายศูนย์จันทร์ถูกต้องแน่นอนก็เมื่อเป็นดังนี้ท่านยังสรรเสริญว่าพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาทั้งกลวงและทรงอุตสาหะประพฤติตามพุทธศาสนาอยู่ก็เห็นชัดว่าเป็นเพราะพึ่งพาอาศัยพุทธศาสนายอยู่ นี่เป็นคำตรัสเป็นคำกล่าวของพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี่ต่อมาถึงรัชการที่ห้าพระเ จ, จ้าอยู่หัวพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยะมหาราชได้ทรงแสดงน้ําพระทัยของพระองค์ต่อพระพุทธศาสนาดังในปรากฏพระราษฎร ท, ทะเลขาเขียนจดหมาย ถึงนายเซอร์เอ็ดวินอานโนผู้แต่งหนังสือ The Light of Asia หมายกวหนังสือประทีปแห่งเอเชียณกรุงรอนดอนประเทศอังกฤษ น, นายคนนี้เซอร์เอ็ดวินอานโนในการเขียนยกย่องพระพุทธศาสนาเหมือนรวงประทีบที่สว่างสว้ยให้แก่บทวีปเอเชียแล้วพระเจ้าแผ่นดินของเรารัชการที่ห้าฟองก็เขียนจนหมายไปถึงบอกว่าพระราชบิดาของฉัน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 ซึ่งรัฐบาลจะต้องเอาใจใส่ตูแลเพราะวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาในสังคมไทยซืบมาตั้งแต่โบราณดังที่สมเด็จ ก, กรมพระยาดำรงราชานภาพได้ทรงเล่าไว้ในอธิบายเรื่องการสรอบปริยัติธรรมว่าการสรอบพระปริยัติธรรมของพระภิสุสามเณรนับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งด้วยอยู่ในพระราชกิจของพระพเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพุทธศาตโนประถมภพนี่เป็นคํากล่าวอย่งนี้การสรอบ ปริยันั้นเป็นราชการเพนดิญอย่างนะั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หมีพระราชดำรัตมากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาะท่านเป็นนักเทศนะพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นนักเทศเขียนหนังสือเทศนาะเสื้อป่าคือสอนชาวบา้านสอนช่วยพระหน้าอนุโมทนาถ้าเกิดว่าพระพุทธศนะาธนะสนาเศรษาศาสนาสําหรับชาติเรา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 ประกาศปรนิธานตอบฟ้าต่อดินว่าเราจะปกครองแผ่นดินนี้โดยธรรมเขาบอกโดยธรรมนี่ก็คือโดยธรรมทศพิตราชจะทำอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาพระองค์ได้ประกาศอย่างนี้และก็ทรงกระทำพระราชกรณียกิจและปกคล้องแผ่นดินของพระองค์โดยธรรมไพ่ฟ้าอนาประชาราชษศกในกร ภายใต้เบื้องยุคนบาทพระบรมโพธิสมภารได้ยืนยืนเป็นสุขตลอดมาเวลาเขาอาอาจนคับหันเข้ามาอย่างกรณีรเผชิญหน้ากันระหว่างผู้เรียกร้องประชาธิปไตยตุสีตุลาที่ผ่านมาหรือเมื่อวันที่แปดที่เก้าที่สิบเดือนอพฤษภาเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ผ่านมาก็อาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระองค์นั่นแหละแผ่ปกคลุมด้วยอำนาจแห่งธรรม ก็เลยทำให้วิกฤตการนั้นจากร้อนผ่อนเป็นเย็นจากหนักเป็นเบาเข้าสู่ภาวะปกติที่เราเะเห็นได้ว่าพระมหากรรษัตริย์ไทยของเราทุกๆพระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาในขณะที่สังคมยุคปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ในรัฐธรรมนูญการปกครอง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 เมือผู้ดีมีหน้าที่รับผิดชอบชะตากรรมของประเทศก็ยังขาดความมั่นใจมั่นใจที่จะพูดว่าพาะพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติขาดความมั่นใจพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงคำพูดประโยคสั้นๆเว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บ่งชัดอย่านั้น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 ช่วงที่เราไปเรียนเมืองนอกวิ่งตามฝรั่งเอาอะไรตามฝรั่งมอดนั่นแหละในที่สุดความยืนยันตัวเองก็กลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อชาวไทยทั่วประเทศได้ฟังพระกระแสรพระราช ด, ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปูมีพลอ น, ด, นดุลยเดชของเราได้ตัต้อนรัพระสันตปาปาจอห์นพรที่สองประมุกแห่งศาสนจาจกคาทเลกที่มาจากกุ้งรม ที่มาจากวาติกันอาตมาจำได้ว่าปีนั้นเป็นวันที่สิบพฤษภาสองพันห้ารอยยี่สิบเจ็ดอาตมายังอยู่ที่อฟริเลกาขาวที่พระสันตะปาปาจอห์นทอนที่สองประมุขแห่งปาสรนจกรักคาทอลิกเข้าเฝ้าณพระที่นั่งจจตติมหาประสาทพระบาทสนเด็พระเจ้าอยู่หัวของเราได้ตัดมีความจำเพาะตอนตอนหนึ่งว่า คนไทยเป็นศาสนิาที่ดีทั่วกันส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติเมื่อพระเจ้าอยู่หงส์เราได้พูดอย่างนี้ก็เป็นอานวภาพคนทั้งหลายที่ลังเลที่จะพูดก็พูดออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคําเดี๋ยวพระองค์พูดอย่างนี้ก็เป็นอานวภาพ ส, สั ป, ปดาส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น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 คนไทยนั้นเรียกชื่อตนเองว่าไทยไปว่าอิสรภาพเสรี <S S เป็นใหญ่ในตัวเองไม่เป็นทาสของใครทั้งนั้นแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นตัวเทวดาฟาดินเสียจะเห็นได้ว่าคนไทยนั้นมีความรู้สึกและพูดเคียงกันแบบว่ า, วาชาวไทยเป็นชาติที่รักความเป็นอิสระเสรีไม่ยอมและทนไม่ได้ที่อยู่ใต้อำนาจบังคับของใคร ในแง่ส่วนรวมของชาติหมายถึงความเป็นเอกราชษซึ่งชนชาติไทยรักษามาได้โดยตลอดถ้าพูดถึงอดีตการอันนานไกลก่อนพันปีมาแล้วเมื่อดินแดนของตนถูกลุกรานครอบครองก็ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจครอบครองพากันอบรยยกปร่นท้อยมาตั้งหลักใหม่มาลื่จากเหนือจดใต้จนมาถึงทะเลทินสุดท้ายลายที่มันขวานเล่มนิดลิขิาธเคยฟาดฟัน ที่ีจะไปไหนถอยอีกต่อไปไม่ได้เลยไม่ได้ตกทะเลหรือจะพูดระยะหนึ่งร้อย้อนคืนไปสี่รอยปีพ น, นี์เป็นก็เป็นประเทศหนึ่งในจำนวนน้อยประเทศนักในทวีปเอเชียที่สามารถรักษาตัวเองรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศนักลาอานามไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเพราะคนไทยเขาไม่ชอบ เขาชอบเป็นตัวของตนเองชอบทําอะไรด้วยตัวเองชอบทําตามใจของตนเองชอบทําอะไรอๆจะเพาะเป็นอิสระจน ม, มีบ่อยๆที่หมิ่นไม่เพราะนั้นลักษณะชนี้ลักษณะของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ปลดแอกจากพระผูเป็นวเจ้าเทวดาฟาดินเท ว, วาอิสันติปริกปรกมัทส์ปุริสปรักมัทส ะ, ส ะ, สะขอไปพูดอย่างภาษาบาลี แปลว่าเทวดาไม่สามารถจะเกียดกันความภาคเ พ, พยียนของมนุษย์ได้พระรพุทธเจ้าสบายอย่างนี้ทีๆๆนี้ไม่แต่ชื่อของประเทศไทยดังกล่าวแล้วในตอนตต้นว่าไทยกับสยามเนี่ยก็เป็นอิสระอยู่ดีๆคําว่าไทยเป็นคําเดียวเป็นภาษาบาลีมาจากคาว่าไทยไทยไทยคือเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อคนอื่นไม่ขึ้นตัว อ, อย่างอื่นที่พูดไปว่าเป็นไทยแก่ตัว ซึ่งก็ตรงกับมีอิสรภาพหรือเป็นอิสระเสรีนั่นเองส่วนคําว่าสยามก็มาจากภาษาสันสกฤตบางบาลีบาลีว่าสยามเขียนเป็นสันสกฤตว่าสยามสยามแปลว่าเองโดยตนเองในตัวเองลำพังตัวเองสยามสยามเนี่ยใช้ในความหมายตรงกันกับคําว่าไทยเป็นซีโนนิมเป็นไวโพต์แก่กันเลยกัน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 ภาษาบาีพูดอย่างงี้นางวิสาขาเข้าไปฝ้อพระพุทธเจ้ามีเรื่องในวิสาขาโสดใี่เห็นได้ท่านไปฝ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามามาแต่ไหนตั้งแต่กลางวันบอกมีประโยชน์บางอย่างไปหาพระเจ้าเประเซนที่โกศลอยากอะไรอะไรบางอย่างแต่ท่านไม่ยอมให้มันเป็นอำนาจของท่านเราไม่มีอำนาจ พระพุทธเจ้าท่านก็นบอกว่าอย่างนี้แหละชีวิตที่อยู่ใต้อำนาจของคนอื่นมันเป็นทุกข์นะนะบอกอย่างนี้สัพพังปะวาสังทุกขังสัพพังอิสเรียงทุกขังการอยู่ใต้อำนาจคนอื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นอิสรภาพเป็นสุขทั้งนั้นภาษาบาลีแค่กว่าอิสเรียงสุขขังปรวาสังเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะพูดว่า ใครเป็นอาจารย์ของท่านจยางนี้มีคนถามท่านอปปากาจิบุกท่านก็บอกว่านาะเมอาจาริโยอัติอาจารย์ของเราม่ได้นี่เนี่ยสายางอภิญญาญาสยามอภิญญาญาท่าพูดเป็นภาษาต้นสกิฟสยามอภิญญาญาเราเป็นสยามเรารู้เองเห็นเองเนี่ยลักษณะช่นนียเพราะเหตุ น, นั้นมันเหมาะกับคนไทยมากพุทธศัพนาแล้วชื่อของ ประเทศไทยก็เป็นชื่อภาษาบาลีเป็นชื่อภาษาสันสกติตท่านั้นอย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าสัปดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันวิสาขาบูชาขอให้เราทั้งหลายได้ขเข้าใจว่าวันวิสาขาบูชานี้แหละคือวันประกาศความเป็นไทยวันประกาศอิสรภาพของความเป็นมนุษยชาติ ปราะกาศศักยภาพสักตีของมนุษย์อยู่เหนือเทวดามารทมอยู่เหนือพระจงพระเจ้า่นพระพุทธเจ้าเกิดมาวันแรกเพราะวันนี้เป็นวันตรัสรุปวันประสูตวรริวันประสิทธานวันประสูติพระพุทธเจ้าตามตำนานทเดินออกได้เจก้าและพูดเป็นอีกด้วยบอกว่าอคโคหามัสสิเราเป็นผู้เลิศในโลก <c oughs> เลิศกว่าเทวดามารทมเพราะนั้นวัน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 แต่ผู้ทธเจ้าเกิืนมากับประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อสิ่งใดเลยอย่างนี้เทวานะอิสติ ป, ตสปัลัตมัสปูริสตเทวดาไม่สามารถพ่านเจ้าไม่สามารถมากีกันความภากเพื่รพยายามของมนุษย์ได้หลังจากนั้นท่านบอกว่าสเถวเกสมาลาเกสมัณภพามณีเทวดามาณพที่ไหนก็ตาม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 วันมีสาขามีความหมายตรงที่เรตัสรูการเกิดมาของพระพุทธเจา้าเกิดมาเพื่อจะตัสรู้เพื่อจะรู้เห็นสิ่งตั้งหลายตามเป็นจริงเพื่อจะสว่างตัวไว้เพื่อจะไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสิ่งใดอีกต่อไปเพราะนั้นการปรินิพานก็มาจากการตัสรู้ปรินิพานไปวัดดับไม่เหลือซึ่งความทุกข์ปัญหาของชีวิตทั้งวกวง ถ้าไม่ได้ตรัสรู้สกอดการปรินิพานเกาะจะเกิดมีมาไม่ได้ด้วยเหตุนี้อยร์เราตั้งหลายได้เข้าใจว่าวันวิสาขาบูชาก็วันที่มนุษยชาติตั้งหลายได้ประกาศอิสรภาพเหนือสิ่งตั้งหลายเทวดาฟ้าดินชนิดที่เรียกว่าสัถาเทวมนุษสานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย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 อย่างพวกเราทั้งหลายไม่กินข้าวกันเลยตลอดเวลา24ชั่วโมงในวันวิสาขาบูชากินแต่น้ำเนี่ยมันก็ไม่เป็นมันไม่ว่างเปล่ามีแต่ความ ส, า ว, าสา ว, มว่างสวยมีแต่ความสงบประงับมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ในจิตในใจดังที่เรากล่าว่าอิเมสเกเรทุกขตะปนักราภูเตปฏติขนะตุ ขอพระบูมีสภาคเจ้าจงรับเรื่องสัตว์ละอันเป็นบรรณาการของคนยากทางหลายบรรณาการอันยอดเยี่ยมคือการประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เราบอกว่าเอาร่างกายของเราต่างพาชนะใส่ดอกไม้ทูบเทียนบูชาพาชนะสกระปรกด้วยกิเลสตันหาเราไม่เอาเราเอาพาชนะที่สะอาดจิตใจอยู่ในพาชนะที่บูชาด้วยความสว่างสวัย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 หมายก็ว่าคู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานแจ่มใสรู้อะไรก็รู้ธรรมะที่จะทําให้ตื่นในเบิกบานให้แจ่มใสส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานแจ่มใสตามหลังผู้ที่รู้มาก่อนคือพระพุทธเจ้าในที่สุดมันก็เป้าหมายของพุทธศาสนาแก่นสารที่ สูงสุดก็คือความหลุดพ้นวิมุติสาโรความหลุดพ้นจากการครอบงำด้วยอำนาจของกิต